สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่สามสิบเรื่องรักษาใจให้ดีเรามาอยู่ในช่วงท้ายของสุภาษิตบทที่สี่แล้วนะครับในเช้าวันนี้อยู่ในข้อที่ยี่สิบนะครับเราจะาจนถึงข้อที่ยี่สิบเจ็ดก็แปดข้อด้วยกันครับโปรดฟังพรชนะของพระเจ้าบุตรชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคําของเรา จงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าเมื่อมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบและมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้นจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ จงทิ้งวาจาคดคดเสียและให้คำพูดลดเลี้ยวห่างจากเจ้าให้ตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้าและให้การจ้องของเจ้าตรงไปข้างหน้าเจ้าจงสนใจในวิถีแห่งเท้าของเจ้าแล้วทางทั้งสิ้นของเจ้าจะแน่นอนอย่าเหไปทางขวาหรือหันมาทางซ้ายจงกลับเท้าของเจ้าเสียจากความชั่วร้าย พรจ้าพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในอีกเวอร์ชันหนึ่งของสุภาษิตบทที่สี่นะครับข้อที่ยี่สิบจนถึงข้อทียี่สิบเจ็ดอ่านได้ความดังนี้ว่าลูกเอย๋ยจงตั้งใจฟังสิ่งที่เรากล่าวเงี่ยหูฟังถ้อยคำของเราอย่าให้มันคลาดสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบ เป็นพลานาไมยแก่ร่างกายทั้งหมดของเขาที่สำคัญที่สุดจงระแวดระวังใจของเจ้าเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำล้วนไหลออกมาจากใจให้ปากของเจ้าปราศจากคาตลบตะแลงให้ลิมผีปากของเจ้าห่างไกลาจากคำล่อลวงจงให้ตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้าจดจอ่อแน่วแน่ไม่หันเหจงเฝ้าระวังทุกย่างก้าวของเจ้า จะเดินอยู่ในทางนั้นอย่างมั่นคงอย่าหันไปทางขวาหรือทางซ้ายจงยั้งเท้าของเจ้าไว้จากความชั่วร้ายพี่น้องครับคุณพ่อคุณแม่จะต้องส่งต่อคำสอนไปถึงลูกหลานเหมือนกับห่วงโซ่หรือส่งไม้ผลฉะนั้นเราจะต้องระวังไม่ให้ลูกหลานของเราทำผิดคณหนุ่มคนสาว ต้องการการยอมรับหลายๆครั้งทีเดียวพวกเขาไม่กล้าเผชิญหน้ากับคำวิพากษ์วิจารณ์หรือรเผชิญหน้าที่จะไม่ปฏิเสธเมื่อเพื่อนๆชวนพี่น้องครับขณะที่ลูกหลานของเราต้องการการยอมรับจากคนอื่นเราเองนั้นต้องให้ความยอมรับกับพวกเขาด้วยเมื่อพวกเขานั้นถูกกดดันอย่างหนัก ขอให้เขาเรียนรู้ในการที่จะก้าวต่อไปด้วยความระมัดระวังต้องให้เขาไม่ปล่อยให้เพื่อนของเขาเป็นต้นเหตุให้เขาล้มลงในความบาปเรื่องนี้ผู้ผู้ใหญ่เองก็ต้องสอนใจตัวเองด้วยครับเพราะว่าเราจะต้องไม่ปล่อยนะครับให้สังคมของเราเป็นต้นเหตุทําให้เราล้มลงในความบาปเราจะต้องไม่ปล่อยให้โลกเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องเคยได้ยินนะครับคําว่า มันง่ายที่จะเอาอิสราเอลออกจากอียิปต์แต่มันยากที่จะเอาอียิปต์ออกจากใจของอิสราเอลพี่น้องครับใจของเรานะครับเป็นแหล่งแห่งความรักและความปรารถนาใจของเราเนี่ยเป็นตัวกําหนดขอบเขตในการเดิมดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นในบทนี้นะครับข้อที่สําคัญนะครับมีเยอะแยะมากมายข้อที่สําคัญที่สุดที่ผม อยากจะนำเรียนเสนอพี่น้องในวันนี้อยู่ในข้อที่ยี่สิบสามจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจจงระวดระวังใจของเจ้านี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะว่าทุกสิ่งที่เจ้าทำล้วนไหลออกมาจากใจพี่น้องครับโซโลโมอนบอกให้เราละแวดระวังใจของเรามากกว่าสิ่งอื่นใดเราจะต้องมั่นใจว่าความปรารถนาต่างๆสิ่งต่างๆที่เรากำลังจดจ่ออยู่นั้นเราจะต้องมั่นใจว่าอยู่ในทางที่ถูกต้องครับพี่น้องครับคำถามที่ผมอยากจะถามตัวเองและอยากจะถามพี่น้องก็คือว่า เราแน่ใจหรือไม่ว่าความคิดความรู้สึกของเราอยู่ในทางที่ถูกต้องความคิดความรู้สึกของเรากำลังพาเราไปในทางที่ถูกต้องจงระวังรักษาใจมีความหมายว่าจงตีกรอบครับ <c oughs> จงตีกรอบความปรารถนาจงตีกรอบให้ใจของเราอย่าไขว้คว้าทุกสิ่งที่คุณเห็นอย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณได้ยิน แต่ให้เรามองตรงไปข้างหน้าจับตาอยู่ที่เป้าหมายของเราครับอย่าหันเหหรืออย่าแวะข้างทางอย่าเดินวนเวียนอยู่บนเส้นทางที่นำไปสู่ความบาปนี่คือสิ่งที่สําคัญที่โซโลมอนได้สอนพี่น้องครับเราเองนั้นเราจะต้องใส่ใจและรักษาใจของเราเพราะว่าใจของเรานั้นกระทบกระทบกับอะไรครับกระทบกับจิตวิญญาณ กระทบกับร่างกายครับตรงนี้เองทำให้โจรามอนสอนว่าจงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราจงตั้งใจหมายคำว่าจงสนใจครับภาษาอังกฤษเช่นว่า pay attention to what I say listen to my words จงเอียงหูตั้งใจฟังคำของพระเจ้าฟังคำที่สอนโดยครูปัญญาและอย่าให้มันหนีห่างไปจากตัวเจ้าและจงซ่อนมันไว้ อยู่ในใจของเจ้าพี่น้องครับถามว่าทำไมครับเพราะว่าถ้อยคำของพระเจ้านั้นหรือพระปัญญาของพระองค์นั้นมันเป็นชีวิตมันเป็นชีวิตเพราะมันให้ชีวิตครับและมันรักษาเนื้อของผู้นั้น <c oughs> ก็คือว่ามันให้ชีวิตมันกีฟไลฟ์แอนด์เฮล์นะครับให้ให้ชีวิตและพลานาใหม่ครับทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงทงให้จิตใจของเราเนี่ยแข็งแรง ทำให้จิตวิญญาณของเรานี้แข็งแข็งแรงเพราะว่าเป็นชีวิตและรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิน้นคุณครับพระพจนะของพระเจ้านะครับจะเติมเต็มเข้าไปในชีวิตในใจของเราเพราะฉะนั้นการรักษาใจด้วยความระวังระไวนั้นหมายความว่าจะต้องเอาใจใส่ต่อถ้อยคําของพระเจ้าอ่านพระพจนะของพระเจ้าทุกวันครับฟังพระสุรเสียงของพระองค์ทุกวันครับ นี่คือการรักษาใจด้วยความระวังระไว้คาว่าระวังระไวยรอบด้านนั้นนั่นหมายความว่าศัตรูของเรานะครับอาจจะเป็นตัวเราเองก็คือการที่เราไม่รู้จักปฏิเสธตัวเองการที่เรายังมีความรู้สึกเห็นแก่ตัวนั่นแหละครับคือศัตรูของเราในการเดีวกันศัตรูของเราอาจจะอยู่รอบข้างเราซึ่งเป็นคนรอบข้างหรือสิ่งต่างๆที่ทําให้เรานั้นได้หลงจากทางของพระเจ้า และที่สําคัญนะครับในข้อที่24 24ได้พูดถึงเรื่องของวาจาคดๆ ค, ครับคําว่าวาจาคดคดนั้นก็มีความหมายลึกซึ้งเพราะอะไรครับเพราะว่าวาจาคดคดนั้นมันออกมาจากใจที่คดครับแต่ถ้าเป็นจิตใจที่ตรงวาจาของเขาก็จะตรงพี่น้องครับกลับมาอยู่ในข้อที่23เวลาที่รักษาใจของเรานะครับเราจะรู้ว่าใจนั้นเป็นศูนย์กลางของชีวิตครับใจนั้นก็มีความหมายคําว่า ความรู้สึกนึกคิดการให้เหตุผลอารมณ์ความตั้งใจนะครับพอพระคัมภีร์พูดถึงคําว่าใจปุ๊บก็หมายคําว่าเป็นเรื่องของจิตภาพทั้งหมดในชีวิตของเราเพราะว่าใจนั้นมันจะส่งผลออกมาทั้งนอกครับส่งผลต่อคําพูดของเราส่งผลต่อมุมมองของเราทัศนคติของเราส่งผลต่อการตัดสินใจของเราและส่งผลต่อพฤติกรรมสิ่งที่เราทําออกมาเพียง ค, ครับเวลาที่พระเจ้า นะครับพิพากษาพระองค์ทรงทอดพระเนตรลงไปถึงใจครับพระองค์ทรงดูเข้าไปลึกๆในระดับจิตใจพี่น้องครับเราจะต้องมีใจที่บริสุทธิ์เราจะต้องมีใจที่ปราศจากความชั่วร้ายดูยเหตุ น, นี้นี่เองครับในข้อที่25การที่เราจะรักษาใจนอกจากจะมีพระเนะของพระเจ้าแล้วนะครับเราเองนั้นจะต้องละหลีกเลี่ยงคําพูดคดๆ และประการที่สามก็คือเราเองนั้นจะต้องเพ่งมองเพ่งมองอะไรครับเพ่งมองไปที่เป้าหมายเพ่งมองไปที่สวรรค์เป็นเป็นเพ่งมองไปที่จุดหมายปลายทางของเราตรงนี้นะครับบอกว่าให้สายตาของเรานะครับจับจ้องสายตาของนั้นจับจ้องในวิถีชีวิตของเราจับจ้องอย่าหันไปทางขวาหรือเห่มาทางซ้ายจงสนใจ นะครับจับตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้าและการจ้องของเจ้าตรงไปข้างหน้าเจ้าพี่น้องครับตรงนี้มีคำว่า c h i f t ้ I ายนะครับช h i f t ้นั้นก็แปลว่าตาแห่งความปิ้นปลนสายตาที่เครือบแฝงสายตาเจ้าเล่สายตาที่มีเล่เหลี่ยมสายตาอันร้กาดพี่น้องครับต้องระวังให้ดี แต่ที่นี่ทําให้ผมเห็นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าตานั้นเป็นหน้าต่างของหัวใจครับในขณะที่ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจใครก็ตามที่มีหัวใจหรือจิตใจที่สะอาดเขาก็จะมีสายตาที่บริสุทธิ์สายตาที่ไร้เดียงสาแต่ใครก็ตามที่มีจิตใจที่สกปรกจิตใจที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายสายตาของนั้นก็ปิ้นปร่อนมีเล่มีเหลี่ยมมีมีความคดโกงอยู่ในสายตาของเขา เพียงครับเพื่อนพีกำลังบอกเราให้เราสังเกตครับสังเกตและเราจับจ้องจับจ้องทางของพระเจ้าจับจ้องทางที่จะไปสู่เมืองบรมสุขเสรมและตรงนี้นี่เองนะครับนอกจากจับจ้องเราต้องสนใจในวิถีแห่งเท้าและทางทั้งสิ้นของเรานั้นจะราบเรียบแน่นอนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะระวังรักษาใจของเจ้าระวังรักษาใจของเรารอบด้านเพราะชีวิต เริ่มต้นออกมาจากใจอาเมีน